เรื่องก่อนนิพพานที่วัดป่าบ้านผู้หลังจากออกพรรษาแล้วอาการป่วยของท่านดูจะหนักขึ้นทุกวันบรรดาสิทธิผู้ใหญ่ของท่านได้ประชุมตกลงกันจะนำท่านไปยังวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครโดยแวะพักที่วัดป่าบ้านผู้ก่อนผู้เราจะขอเล่าเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายที่จำได้ดังนี้ เหตุการณ์ระหว่างเดินทางจากหนองผือสูพ่พันนาริยะทางจากหนองผือมีบ้านนาบุญนาเลา่คาคําฮะแวรทิศไทยโคกเสาวควัญกดก้อมและพนันนานาเลา่คาคําฮะแวร์หมู่บ้านห่างออกไปต้องเดินอ้อมเขาคนสมัยนั้นมีไม่มากแต่คนมาจากไหนมากมายเกินกว่าสมัยนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กที่อ้อมห้วยมาทางลัดทั้งช่องเขา ท่าน้าช่องป่าไม้คนมากันทุกทิศทุกทางทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าท่านพระอาจารย์จะออกเดินทางวันนั้นเพราะผู้ตกลงวันนั้นทำเสลียงเสร็จวันที่สองก็นำท่านมาเลยมีคนแบกคานหามสี่คนล้วนแต่เป็นชายชะกันทั้งนั้นพอเดินไปได้ประมาณครึ่งกิโลเมตรผู้รอเปลี่ยนคานหามก็บอกว่าเธอออกไปเราจะเข้าหามแทน คนหามก็บอกว่ามายังไม่ถึงสิบวาจะมาแย่งแล้วอา้าวเธอหามมาไกลแล้วก็ต้องให้เราสิทะเลาะ ก, กันมาตลอดทางพระอาจารย์ฟันต้องติดตามใกล้ชิดคอยห้ามทับไม่ให้ทะเลาะ ก, กันพอคนนั้นออกมาผู้เราถามว่าทำไมหามไปไกลและยังว่าหามไปไม่ถึงสิบวาเขาบอกว่า เวลาแบกเสาแบกฟืนหามนั่นหามนี่มีตะหนักแต่หามอัญญาท่านมั่นเบาเหมือนกับว่าเท้าไม่ติดดินนี่คือคำบอกเล่าของคนหามจากบ้านคำฮาวถึงบ้านโคกก่อนถึงบ้านโคกมีลำห้วยน้ำเย็นไหลใสสะอาดคนหามขอพักล้างมือลูบไล้แขนขา เพื่อเข้าสู่หมู่บ้านท่านพระอาจารย์ก็อนุญาตและท่านก็ล้างหน้าด้วยสิทธิเช็ดตัวถวายขณะนั้นตัวท่านร้อนอยู่คล้ายๆจะมีไข้พร้อมแล้วก็หามท่านเดินทางต่อจนกระทั่งอีกไม่เกินส0บกิโลเมตรจะถึงพันนาเลยบ้านกุดก้อมออกมามีทางแยกสองแ่งแร่งหนึ่งไปพันนา แรลงหนึ่งไปบ้านม่วงไข่จึงเอาท่านวางลงที่วัดป่าบ้านผู้พันนาท่านอาจารย์เฉลวยสุธรรมโมเตรียมรับพร้อมวัดป่าบ้านม่วงไข่ท่านอาจารย์อ่อนยานณสิริเตรียมรับพร้อมเลยเจรจากันแต่ยังตกลงกันไม่ได้ได้ยินถึงท่านพระอาจารย์เลยถามว่าถึงหรือ ย, ยังตอบว่ายังไม่ถึง ไม่ถึงจะอยู่นี่หรือกราเปียนท่านอาจารย์อ่อนจะนาไปม่วงไข่ท่านอาจารย์เฉลวยจะนาไปพันนาท่านตอบว่าบ้านม่วงไข่เราไม่ไปเราจะไปวัดโยมอ่อนรู้แล้วหรือยังรู้แล้วก็ไปพอถึงทุ่งนาหมดทางเกวียนแล้วชาวบ้านต้องเดินตามคนากว้างไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรข้าวแก่ก็มีกาลังจะแก่ก็มี แต่คนหามรวมทั้งคนเอามือประคองเป็นสิบสิบเลยหยุดยืนกลัวจะเหยียบย่ำข้าวเจ้าของนาทุกคนที่ติดตามไปเขาไปยืนอยู่บนคนาประกาศขึ้นว่าข้าวไอข้าวบัดนี้ความจาเป็นเกิดขึ้นแล้วขอย่าขอลายด้วยแล้วก็หันมาบอกพวกหามว่าไปได้เลยแล้วก็พากันเดินเอาคนาวไว้กลางย่าไรนาไปเลยผู้เราเดินตามหลัง ไม่เห็นมีข้าวล้มแม้แต่กอเดียวเพราะคนหามก็คือชาวนานี่เองเขาต้องระวังเป็นพิเศษข้าวก็เลยปลอดภัยถึงวัดกลางบ้านผู้ประมาณสิบหกนเสิกาเศษทำเวลาได้เร็วกว่าปกติส่วนหมู่คณะทั้งพระเทระอนุเทระติดตามท่านมาเกือบหมดวัดเดินตามก็มีมากเดินลัดเขามาก็มี ผู้ไม่ค่อยมีกำลังก็เดินลัดเขาเพราะใกล้กว่าเป็นเวลาสิบอดวันที่ท่านได้พักอยู่วัดกลางบ้านผู้อันเป็นวัดที่โยมอ่อนมูราราชเป็นผู้สร้างโยมอ่อนเป็นผู้มีศรัทธารับส่งสิ่งของต่างๆที่ส่งมาจากกรุงเทพเชียงใหม่จันทบุรีโดยทางพัสดุไปรษณียบ้างฝากคนมาบ้างส่งถึงวัดป่าบ้านหนองผือตลอดหปี ผู้เล่าคิดว่าท่านพระอาจารย์คงจะเห็นอุปการะส่วนนี้อันเป็นวิสัยของนักปราชจึงมาพักฉลองศรัทธาของโยมอ่อนบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นศิษย์ทั้งพระเทระอนุเทระทั้งไกลทั้งใกล้ได้มาดูแลปฏิบัติเป็นจำนวนร้อยต่างพักหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้องโดกม่วงไข่บาก ท, ทองเป็นต้น สวนวัดกลางบ้านผู้ไม่ต้องกล่าวถึงนอกกุฏิตามร่มไม้ริมปา่าปากกลดเต็มไปหมดทางราชการมีท่านในอำเภอพัร น, นานิคมเป็นประธานก็ได้ประกาศเป็นทางการให้ชาวพันนาทุกตำบลหมู่บ้านขอให้มาช่วยกันดูแลเพื่อความสะดวกสบายแก่พระสงฆ์เป็นจำนวนร้อยๆนั้นอาหารบิณฑบาต ท, ที่พักน้ำปานะ เพียงพอไม่มีบกพร่องอาการเจ็บป่วยของท่านพระอาจารย์ดูจะสุดลงเรื่อยๆตัวร้อนเป็นไข้ไอจะสงบ ก, ก็เป็นครั้งเป็นคราวพอให้ท่านได้พักบ้างบรรดาสิทธ์ทั้งข้ารือหัดและบรรพชิตได้มีการประชุมกันมีท่านเจขุนธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นประธานความว่าจะให้ท่านมรณาภาพที่นี่ หรือที่สกลนครมติในที่ประชุมเห็นว่าให้ท่านมรณาภาพที่นี่และค่อยนำไปสกลโดยให้พระมหาทองสุกไปจัดสถานที่คอยที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครขึ้นวันที่ส1บเอ็ดที่มาพักวัดกลางบ้านผู้เวลาตีสามเห็นจะได้ท่านพระอาจารย์มีอาการไม่สบายมาก ท่านโบกมือขวาบอกว่าไปสกลไปสกลจนอาการทุเราลงคณะกีฬานุปัฏฐากก็ทำการเช็ดตัวถวายน้ำล้างหน้าเช็ดหน้าห่มผ้าก็รุ่งสว่างขอดีอาหารบิณฑบาตพระป่วยก็นำมาผู้เราตักถวายท่านอาจารย์วันประคองข้างหลังอาหารช้อนแรกท่านเริ่มเคี้ยวพอกลืนได้ครึ่งหนึ่ง ก็มีอาการไอไอไอติดต่อกันอาหารช้อนแรกยังไม่ได้กลืนก็ต้องคายออกตักถวายช้อนที่สองท่านยังไม่ได้เคี้ยวเกิดไอไอใหญ่ท่านคายลงกระโถนแล้วบอกว่าเรากินมา80สิปีแล้วกินมาพอแล้วผู้เล่าถวายน้ำอุ่นให้ดื่มเพื่อระ ง, งับอาการไอท่านบอกว่าเอากับข้าวออกไป ผู้เล่าอ้อนวอนท่านอีกเอาอีกแล้วทองคาเนี่ยพูดไม่รู้จักภาษาบอกว่าเอาออกไปมันพอแล้วก็จำใจนำออกไปพอท่านบ้วนปากเสร็จจึงเข้าไปประคองแทนท่านอาจารย์วันท่านบอกว่าพลิกเราไปด้านนั้นทางหน้าต่างด้านใต้แล้วบอกว่าเปิดหน้าต่างออกผู้เล่ากราบเรียนว่าอากาศยังหนาวอยู่ เสสสายจึงค่อยเปิดเอาอีกแล้วทองคำเนี่ยไม่รู้ภาษาจริงๆบอกว่าให้เปิดออกหูเจาือจึงไม่ได้ยินพอเปิดหน้าต่างออกไปอะไรได้คนเต็มไปหมดทั้งบริเวณประมาณได้เป็นร้อยรอยคนทุกคนที่มาจะเงียบหมดไม่มีเสียงให้ปรากฏถ้าเราอยู่ที่ลับตาจะไม่รู้ว่ามีคนมาทุกคนก้มกราบนั่งประนมมือ ท่านพระอาจารย์กล่าวว่าพวกญาติโยมพากันมามากมาดูพระเท่าป่วยดูหน้าตาสิเป็นอย่างนี้แหละญาติโยมเอ้ยไม่ว่าพระไม่ว่าคนพระก็มาจากคนมีเนื้อมีหนังเหมือนกันคนก็เจ็บป่วยได้พระก็เจ็บป่วยได้สุดท้ายก็คือตายได้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็จงพากันนาไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บ ตแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้มีเสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นละ่ะจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนเท่านี้ละ่ะพูดมากก็เหนื่อยนี่คือโอวาทที่ท่าน ให้ไว้แก่ชาวพันนานิคมตั้งแต่นั้นจนวาระสุดท้ายท่านไม่ได้พูดอีกเลยประตูที่พักด้านหน้าเปิดอยู่ท่านบอกหันตัวเราไปทางประตูพอหันเสร็จก็เห็นคนแต่งตัวผู้ดีสามถึงสี่คนนั่งบนเสื่อที่ปูอยู่ข้างล่างสำหรับให้แขกนั่งท่านเพ่งดูแลถามว่าใคร เขาตอบว่ากระผมวิเศษลูกเขยแม่นุ่มเอารถมารับท่านอาจารย์กลับสะกลท่านมหาทองสุขบอกเมื่อวานนี้กระผมเลยนำรถมารับขอรับเออไปสิเราอยากไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เอา้าวันทองคำแต่งของเร็วเราจะไปอย่างไรรถจอดบนทางหลวงนี่มันมีแต่ทางเกวียน นายวิเศษตอบว่าไม่ยากกระผมได้นำเปลยพยาบาลมาเป็นผ้าใบาเบาๆนิ่มนิ่มนิมนต์นอนพักไปสบายๆท่านถามว่าคนหามล่ะนายวิเศษบอกว่าท่านแขวงได้เตรียมคนมาพร้อมแล้วรถก็สบายไม่กระเทือนเพราะเป็นรถประจำตำแหน่งของท่านพอแต่งของเสร็จหมอก็ถวายยาให้ท่านนอนหลับไปสบายๆ ก่อนไปท่านเอ่ยขึ้นว่าก็หมู่เล่าจะไปกันอย่างไรนายวิเศษตอบว่าไม่ยากกระผมท่านแขวงได้เตรียมรถบรรทุกคนงานมาพร้อมแล้วบรรทุกได้เป็นสิบสิบรูปจะขนถ่ายให้หมดวันนี้จึงนำท่านไปขึ้นรถสมัยนั้นหารถยากรถประจำตำแหน่งท่านแขวงไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร ได้ยินเขาพูดกันว่าแลนโรเวอร์ส่วนรถบรรทุกเขาว่ารถดอดหรือฟาโกนี่ละ่ะจากพนานิคมถึงวัดป่าสุทาวาสสกลนครเกือบส2สองนาฬิการถทางหินลูกรังกลัวจะกระเทือนมากท่านก็หลับมาตลอดนำท่านขึ้นกุฏิเสร็จผู้ใกล้ชิดก็มีผู้เล่าท่านวันท่านล่าผู้จัดที่นอนให้ท่าน ไห้ผินสีษะไปทางทิศใต้ปกติเวลานอนท่านจะผินสีษะไปทางทิศ ต, ตะวันออกด้วยความภาะวะผวงจึงพากันลืมคิดที่จะเปลี่ยนทิศทางผินสีษะของท่านเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษท่านรู้สึกตัวตืน่นจากหลับและพูดออกเสียงได้แต่อือๆแล้วก็บวกมือเป็นสัญญาณแต่ไม่มีใครทราบว่าท่านประสงค์สิ่งใด มีสามเณรรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นเห็นท่าอาการไม่ดีจึงให้สามเณรอีกรูปไปนิมนต์พระเทระทุกรูปมีเจ้าคุณจูมพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ฟั่นเป็นต้นมากันเต็มกุฏิเท่าที่สังเกตดูท่านใกล้จะลาสังขารแล้วแต่อยากจะผินศรีรษะไปทางทิศตะวันออกท่านพลิกตัวไปได้เล็กน้อยท่านลาคือพระอาจารย์ลาเขมปัตโตคงเข้าใจ เลยเอาหมอน ค, ค่อยๆผลักท่านไปผู้เล่าประคองหมอนที่ท่านหนุนแต่ท่านรู้สึกเหนื่อยมากจะเป็นการรบกวนท่านก็เลยหยุดท่านก็เห็นจะหมดเรี่ยวแรงขยับต่อไปไม่ได้แล้วก็สงบนิ่งยังมีลมหายใจอยู่แต่ต้องเงียหูฟังท่านวันได้คลำชีพจรที่เท้าชีพจรของท่านเต้นเร็วชนิดรัวเลยรัวจนสุดขีด แล้วก็ดับไปเฉยๆด้วยอาการอันสงบเป็นนั้นว่าอาวาสานแห่งคันเท่าวิบากของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วท่ามกลางสิทธิ์จำนวนมากในเวลาประมาณสองนาริกาเ็จเศษณวัดป่าสุทธาวาสอําเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครเหลือไว้แต่ผลงานของท่านมากมายเหลือขนานับ